วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมยิตาภาวนาล้วนๆ<ม>ไม่ให้มีงานอื่นเขามายุ่งเหยิงมุ่นหมายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ ให้มีช่วงระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนนุ่งสร้างนี้ยงเหยิ่วุ่นวายงานพระกรรมฐาน ท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวช น, น้นุบชาทุกทุกองมอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลเวลาเพียงห้าอาการอนรมณปฏิรมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปพี่นกายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะ ขยับขยายออกไปกว้างแคบหยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านเมาให้เพียงว่าเกษาฟังดลคือผมโลมาคือขนนขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนัง หุ้มหออยู่ไดยรอกจันทพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักสาธนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้ เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นนงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเทียนทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้กินแนวอยู่กับอาการนั้นๆ ในบรรดาห้าอาการหรือจะขยับขยายไปสายสองอาการก็ตามในร่างกายของเราจัดเป็นงานที่ชอบทำทังนั้นถ้าสติหรือความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจรารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำเทนั้นงานนี้ มือบานั่งเดิมแต่องค์พระสัสดาท่า น, านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสาคัญสอนสถานที่อยู่ที่บําเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของพุกจากห้ากิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้ เป็นที่เช่นไรนท่านสอนให้แล้วว่าลูกโมลูลเส้นนาสนังนั่นฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสาหรับอุ้ิจะฆ่ากิเลไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแหนถึงกับติดรสอิจชาติยุ่งเหยิงไปหมด อันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิม่มหัวใจก็หิวโหวยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวาย ทั้ง ท, ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายใน ห, หัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปโดยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในลายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสนะแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเท น, น้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้ว มีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกสึกพอน้ำจะไหลด้วดไปที่อื่นเทียนี่ละงานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐ า, านจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปได้วยความเพื่อเพื่อเหือมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับกีนกับมือไปเราไปทำงานเอง เดี๋ยวปินธบาทอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งมั น, นเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบรนตานี้เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัด น, นี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวปเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลย ไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนะักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายอนานมานานมากก็เลยเถิดไปโดยลําดับจนจกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายรายที่ไม่รอบคอบในอาหารนี่ แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธายาโยมกะไปทำหนิเเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญก็กทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองแล้วเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญา การเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านแต่จองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดรอยจากหัวใจเลยเราที่สำงเกตดูหมือเพื่อนไม่คอยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลย เห็นใดมัน ท, ทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดเนี่ยนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพินิตรพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทังหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุฉันของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น เพื่อการบำเพ็ญสมธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอวิเดีจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือแห้งไปจากจิตใจทำจะได้จเจริญก้าวหน้าภายในใจิตใจแทนกันไปกับวิเดียหลุดลอยไปเหมือเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไร ชั้นขนาดกลางๆประกอบความเพียนเป็นอย่างไรชั้นน้อยประกอบความเพียนเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียนเป็นอย่างไรหากผู้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเมื่อนกันได้เป็นระรับธรรมดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในใจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกัน ดูดูนี่แหละังหลับบิณฑบาตท่านสอนไว้มีบอนเครื่องช้ไม่สอยก่อนยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละสาหรับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอเราไม่ให้ขอการก็ไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกิน กับปีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอํานาจของธรรมอยากให้มีด้วยอํานาจของกิเลสเราต้องกอารหนึ่งดังนั้นเราจะไม่คํานึงถึงเรื่องจิตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคํานึงตั้งแต่พระเนรเราให้ได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอนี่เราบอกกีบอล บินทบาทเจนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอ ร, รหันท่านพาอยู่สังฆังสนังขฉ า, ามีของพวกเราหรือพุทธังสนังขฉ า, ามีของพวกเราพาอยู่และทำมงสนังขฉ า, ามีที่เกิดกับพระเจ้าและพระสงค์สาวกเราได้สละได้กราบานี้เกิดในที่เช่นลายฟังเสีเกิดในที่หู ห, ห, หล า, ห, ลาหมายเอามาเทียบนะักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาด ครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเรา ถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเร่งเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยางไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสงั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนัก แห่งพระอุวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคาสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคโมูลเซนนาสนังอย่างนี้เป็นต้นนะ เราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุกขมูลลมไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเดียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านังสมัยพุทธกาลและสมัยจะต่อมาเช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายมีอยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมูลลมไม้อย่างนั้นด้วย ไม่มีที่มุงที่บังกับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่นี่เราชื่อว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกขมูลร่วมไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บัง กลับหาที่มุ่งที่บางไม่ได้ถูลุกขมูลร่วงไม้ในสถานที่เปลี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรมรมดากับสถานที่ในป่าเปลี่ยว และแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปี่ยวในที่มุงที่บงังกับไม่มีที่มุงที่บงังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจับพระไถยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะ ลูกขมูลฤาษนาถนาัเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดําเนินมาแล้วประจักษ์พระไทยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้ จ, จับจารุเป็นพระจักรพดาอีกของโลกนั้นเห็นไหมละ่ะอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบมกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะละสิะเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติ ให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนั่นน้ำหนักคนเท่ากันถ้าถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลูกขโมยเส้นนาสนางังเราก็เห็นได้อย่างชาดัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบา ของลูกคอมอร์เซนาสนังผู้มาปฏิบัติเรียนเฉยๆจำไม่เฉยไม่ว่าท่านมาเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่ความพูดมาคุยมัมโมอวดกันเฉยๆลองไปไปเจอเข้าหรือไปโ ด, ดนเขา ด, ดูสิหนะกับอลูกคอมอร์เซนาสนังแล้วเสือก็ห่มก็ห่มสองอรอบด้านนั้นเป็นยังไงอืนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ก็ได้เป็นแล้วนะไม่แช่เอามาคุยห่กวนฟังเฉย มันตัวสั่นพึ่งกับที่เลยนะอืมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งเอาพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งละที่นี่อืเสือมันก็ห่มก็ห่มไม่ทราบ ม, มันจะเข้ามาเมื่อไหรท่ทั้งที่บางแห่งก็ยังก็ยังมีแค่เล็กๆนะบูบนแค่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บางก็ยังมีแค่นั่งนะั้นกดกลางลงไปนะั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัด ไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงนี่แต่กฎแล้วอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องทำภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวฮนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่กีดกลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทําไมมันจะไปถอยล่ะอืต้องขยับขอ้อห า, าอัธรรมทํายที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็ บ, บอกแล้วว่าทำอยู่ที่ใจระลึกเธอ พุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธ ท, ที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อร ล, ลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่หยดย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ลายนั่น ว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ให้ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจตทั้งๆที่สิ่ง น, นั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายไปแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักทาบทใ ด, ดก็ตามเช่นพุโทโธหรือธรรมือสังโฆตามแต่ความถนัดทึ จิตฝากเป็นฝากตากับนี้เป็นก็เธอตายก็เธอจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพูดโทรตำมูลสังโคบดใหญ่บดบหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ทุกที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคําบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทําอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนาะมั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแหล่ เมื่อรับความรักษาการรักษาการบำรุงอีกก็สแสดงตัวขึ้นมาหนึ่งสงบเข้ามาสงบเข้ามาสองสแสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชาัดเจนภายในจิตใจทั้งๆ ท, ที่ขณะก่อนนั้นกลัวสะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นเน้ยแต่ขณะ น, นี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนะนัาาง่งฟังซิ ถ้าเป็นนั่งก็แน่นเปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิต ไ, ไม่ยิบไม่แย็บออกไปทางไหนเลยความรู้กับคําว่าพุโทโธกลมคืนเป็นอันเดียวกันแน่นเปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบุตดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคําว่าพุโทโธก็ดีธรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมคืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็ก็แน่นเปึงอีกเหมือนกันนะเออ กิริยาจะมียับยับกวกาตามแต่ไม่ออกภายนอกจิดกิดไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญ น, นี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนา ม, มั่นคงที่อาถรรพ์ ท, ที่สุดอีกด้วยนะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ละ ไม่มีความกลัวความจะตกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทาัทง้งๆในขณะก่อนขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากเพราะกลัวมากเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮะอะไรก็เถิดว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่านเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจิตับเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่ เพราะสถานที่เปลี่ยวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดําเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงกิตเอายิงเอาจั ง, จ ง, งทําหน้าที่ของตอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับทำทุกสิ่งทุกอย่างทํากันอย่างเต็ม เ, ม, เม็ดเต็มหน่วยทํากันอย่างหวงังพึ่งเป็นพึ่งตาความจริงทําไม่ทาจะไม่ปรากฏละก็ทําไม่เคยนำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่อืม นอกจากที่เลรกไปทําให้มันเอียงัให้ทําทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองเนี่ยนี่แหะเรื่องการทดลองการทดสอบการดําเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยพูดถึงยูกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปูตะอะเลมุติพูดอะไรโพช เศสัชชังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละ <Ừ. S 1> เต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะยาไม่ไดเลยก็ อ, อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยั่งชีวิตยังอัธภาพไม่เป็นไปยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะประยุกยาอะไรกันวะ ไม่สนใจจนกระทั่งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกละ่ะท่นานอกเห็นก็เป็นตากก็ตายนั่นบาง อ, <c oughs> อยู่ในป่าในเขาก็อยู่ <c oughs> เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละ <c oughs> แต่จิตใจไม่ห่างจากธรรมท่าทนบอนั่นนั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกีนี้กล่าวอะไรบ้างละ่ะ ลูกมูลเสนาสนัน่ น, นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทาง <c oughs> มิสมาธ์ก็ประยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือพุ่มเฟือ่อยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเรา <c oughs> พยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการถันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสละ <c oughs> ถ้มีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีทันทีที่กิเลสเคลืล่อนตัวออกมานถ้ามันมีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเอะมาเสริมผลงูงให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลาทำมาเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะควา ม, มวงูของเราเนี่ยอหะเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก่อนมีอยู่พอเป็นพอไปไนมะ่อดไม่อยาก แล้วกังวลกับอะไรทุกวันนี่จิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกับวายเป็นเรื่องของกิเลสทํางานเสีดทั้งมันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนอิยาบทหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทํางานพาในหัวใจและกิริยาการของเหล่านี้มันมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบําเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวนี้มันขาดอะไร ถ้าแม้ขาดด้วยความหิหวยนัดหงิดตันหาสมาธิของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นลนก้อนหนาตัวนั้นนี่แหละอํานาจของกิเลสที่มันมีมากนะไวใจมันมีมากเท่าไหร่มันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาอคนดิน้นคือคนจะตายเห็นไหมงา น, นคนไข้ไปดูเอาทีถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก่อ็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะ ทุกมากทุกน้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอํานาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดีดต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีดตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกดูเาสิ แล้วมาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโงกมณานะใครมาขี้เกียจกี่คั้งเดินโยนกมนั่งสมาธต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะไาแล้วให้ออกไปวเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอินฉาเราอาใจเต็มพลแล้วเวลานี้นะเอผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีน้ําซ้ํายังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกอทางโงกมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล่มเหลวไปหมดมีแต่เสือมีแต่หมอน มาติดหลังติดคอไปตลอดเวลานีทํำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆเแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะ่ะที่ดื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่ยนะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชําระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสําคัญราคะตัณหา นี่เป็นกองพล น, นั้นสําคัญเยียบย่ําทํำลายในะหัวใจตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภทสามสี่อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดิบความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสติดดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ ล้นโลกล้นทรงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความข้านควายอินหาลาใจต่ อ, อการพิบปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความจุความเจริญให้เป็นคนที่ น, า น, านา่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทุกสุภองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมาย มีความหมายเฉพาะกิเลสสามสี่กองทับนี้เ 3, ท่า น, นั้นเป็นาศาสารเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งมาสิเราทำไมจึงไม่นํามาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เขียนดูด่าว่ากล่าวตำลานนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการาพิจารณาเพื่อจะแก้พระจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใ จ, จให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้ว พอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอํานาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นเป็นอย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะชติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพยียรความอดทนมันไปอยู่ไหนเยิ่งให้กิเลสเอาไปอถลุงสลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างเหลือเวลาจะหมดไปจริงๆใช่แล้วเหรอ โลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของขอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิถ้าไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่ ง, ขงกับกิเลสก็โอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหิมยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏนี่มันีไั่เแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมา ความทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นจะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเรามันหนึ่งขึ้นหนึ่งอยู่ยังไงเด่นเด่นด้านด้านอนมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเออเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยความอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดง ซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งผูบาอาจารย์ที่แนะนำตัสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนําัสอนอยู่หลานี้เราอยากพบอยากเห็นอกับกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไรมันก็เห็นตั้งแต่เรื่องอันที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อพุศลธรรมมามันมันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างมันน่ะยว่าไง กุศลาปลว่าความชลาญิเล็ตมันชลาญเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลากันมาหรืออีกมันขีเกียจมันเบื่อจะตายไปหรือกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีวนนน่ว่างกันปุนยง่ายวันนั้นธรรมโวเจ้ามาปราบเราไมิจตเราปราบเอาปราบเอ า, า, เอาขี้ทะลักออกว่าไงไมิจตกินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันอิเศษวิโสอะไรพระเรานะ่ะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราไปจิเลสเราจะว่าจริงๆริ ง, ร ง, นะงเนี่ยหัวเลาะด้วยทําได้ยินเออเออเนะ่งมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์ หัวใจพระกรรมฐ า, านเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขาน่ะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นเช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีแล้วพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเกียนที่ยาบททั้งสี่ความเพื่อนไว้ไประมาใดให้มีสติกากับใจเป็นตัวทั้งพันมากนะเนี่ย เคบอกก็เหมันยิ่งใหญอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดักแปลง ก, กันวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมอาวุธจะได้สักกี่ชั่วโมงฟาดมาลงไปเป็นไหรกว่าตายหรือกว่าเดินจงกรมตายเหลยธรามันเห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับยิ่งใไม่งั้นไม่ได้นะไม่มีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทํากินแล้วนอนก่อนแล้วหนื่อยยูไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ที่ทาไงเราพูดแนะนําสัอนหมู่เพื่อนไม่เพียงเพียงมาสอนสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสอนสอนเพื่อนเราได้ดเนินมาแล้วเต็มสติกำลังกวาสมารถของเร า, าเรื่องความเขียนอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสรรหลายผมไม่งั้นมันไม่ทันมันจะว่าไงพอคิดดูที่เวลาเข้าตาจนเกาะจริงๆหลังที่ว่านั่งหามรุ่งหามค่ํามันจะตายจริงถึ ง, ถงวาลําจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะ ต้องพลิกแพมเปลี่ยนแปลงหาใหม่คให้เป็นปัจจุบันท่านเหตุท่านผลกนมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวบวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ธรรมเอาตายว่า ง, งั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่ยุ่ยเฉยนี่คือประโยชนอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหเทืเล็ด น, นะแล้วหลังไรลมาหลังไรลมา มาแล้วก็มีแต่ทาให้หนักอยู่ในหัวใจเบนทบาตสองขาตัวหัวท้ากำปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมดอมเหมือนคนอายุตั้งเก้าสิบปีนุ่นมื่อเช้านี่เราก็เห็นได้ว่าพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบายเห็นอยูนี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันมันมันม น, น่าว่าก็ต้องว่าสิมันขวางจะตายไปนี้ใครยังมาอยู่หมดสติปัญญาหมด แบบสิ้นท้ายเราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนสอนพื่ความฉลาดไม่ได้สอนพื่งมความงงงู้เซ่อเซ่อซาดซ า, น, านี่สอนพื่ความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินจฉลียต้งบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุ่งมุมนี่ฮไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยเฉยนะ อ, อือต่อสู้กันมาเดนตายแล้วถึงได้มาพูดให้ผู้คนฟังนี่ ถึงไ้บอกอุบาวิธีการต่างๆที่วิธีต่อทุกมันมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถึงไ้บอกแล้รู้พูดถึงไงก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วเนี่ยถึงได้มาพูดนี่จะให้คูยยังไงอีกเนอะอ่ไม่ไไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงกิเลสเต็มหัวใจทำมาไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาลฟามันเต็มสิสติปัญญามันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่แค่ขั้นนนนมาตตัั้้้แลวว่อองบก็ นั่นแหละกิเลสพังขั้นนั้นเน่ยธรรมดาไม่พังกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ได้สอนหมดแล้วมายังมาเก่งเก่งก่างก่างวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังเลยอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนท้นนั่นเหรอมันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้แต่ว่าอะไรกรรมฐ า, านเราเก่งทันเรื่องการกินการนอนล่ะ ถ้าไม่เก่งทางทำแล้วร้อนหวันดึงค่ำคุณยังลุงเนี้ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมายทุกวันไม่จําเป็นจริงจึงไม่อยากให้พระให้เดินไปที่ไหนมาไหนแต่จะอยู่กับตัวเองมันก็นรักษาตัวไม่ได้จะว่างไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในส ง, สงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิ ด, คดหมด เพราะงั้นหมู่เพื่นเทศหลายประนันปานนี้เราต้องนึกว่าสเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะลบว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะอเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนใครละ่ะได้ความตายตัวของใจมาไปที่แน่ใจตัวเองมามาพูดให้เราฟังบงับ่งสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งายล้มทั้งหายเขายังไม่ต่อยเพราะเขาก็ดิกล้มแล้วเป็นยังไงมันตายก่อนเกิดใช่แล้วนั่นนะความซื่สซืสา่าซาของเรา เราจะไปอวดดีอวดอดีอะไรมาให้มันดีละ่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีอืมดินวัดนั่ น, ด น, ด น, นเดี๋ยวนี้ก็มาฐานเหล่านั้นโอ้หน้าผู้เลียนจริงนะก็มาฐานดินไม่เขาระไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดาเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดาเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรม ก็ท่านนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดําเนินนั่นท่านดาเนินเป็นเป็นอัดเป็น ร, รมท่านดาเนินอย่างนั้นนี่นะไม่พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากออกคํ า, อ, า, คาอยาดคาทะเยอทะยานดําเนินเยียบอัดเยียบทำเหยียบผูกวาจารเยีย บ, บ, ยยบพระศาสนาแลกเหลวไป ท, ทั้งทั้ตงตัวทั้งตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมาฐานเรานี่มีอํานาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากมันจะต้องการรายรายได้คนนับเคารพนับถือมาก เรานี่มีอํานาจวาสนามากนู่นน่ะเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวก็แปลว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะเออโดยที่ว่าไม่ได้คํานึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกเอเวกีหลงไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเออเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกนอกพอกทิศตะแล้วก็ว่าตัวมีหงอนเออเอายถาาศถาวาสัก์เอาความรู้ความฉลาดอํานาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันก็นมาฐานขี้หมาไงางั้นเออ กรรมฐานผู้เจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดาเนินถ้าดําเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกโลกเรื่องนอกๆดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสงสารเงี้ยดูฮะดูอดูธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่ที่ว่าผู้ผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่าจิเลสไปอย่างหนึ่งดิ้นจิเลสมัดคอไปอย่างหนึ่งมันคนจะตายมันดิน้นเต็มเล้วนะหนึ่งวงกรรมฐานเรา ไปไหนเนี้ตั้งแต่การก่อการสร้างคือเหวี่ยงวุ่นวายเอานี้เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลกันแล้วนี่เหลือของพิเศษเป็นอิดเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลอพิเศษไมาในปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่นี้มันเป็นยังไงยิงต้องในวุ่นวานักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้ว จะทําให้ตรงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทําภาวนาจิตจิตภ า, าวนาไม่สนใจสิสนใจนั่นแต่ภายนอกอันเดีมันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันปิดหูปิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพัฒน์เนินมาถึงในพูดการถ้ามันพอเหมาะพอดีทําไมจะจะพูดกันหาอะไรที่พักที่อยู่กคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระเจ้ากระแตมันยังมีรวงมีลัง พอเหมาะพอดีตามกับฐานะตามเห็นว่าตามความเห็นว่าเห็นว่าจําเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรละเกินโลกเกินอนุสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงอิติยศยิติศัพด์กิติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นฮึบบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาบยศชนะเสริญโลกธรรมแปดมีมะกอบมะโกยโลกธรรมแปดเต็มหัวใจไม่ดีใครเกินกรรมาฐานเราหากรอบคกยในสิ่งใน ของในสิ่งเหล่านี้แหละไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีเท่กากันทุกคนทําไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทําไม่สัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกสิ่งเหล่านี้นะเห็นแล้วกรูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างชงสมส่งเสริมให้ทําอย่างนั้นเหถออืะมีแตท่านสอนเรืไล่ก็ทางยโยกมุท่ากับป่าผู้เยาะก็เหมือนกันลูกขโมยเส้นาสนาจางหมายเขาว่าไงโน่นป่าเนี่ท่านก็บอกว่าัน นั่นละที่ข้ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกนัะนล้วนี้ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองข้อแรกไปที่ไหนกวนไปหมดพระเหราลายเป็นเป็นเป็นเป็ตเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองอืจะเอาห้าเอาสิบเอาร้อยเอาพันเอาหมื่นเอาแสนนั้นจะสร้างนะ่นี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามิเตจะสร้างจะสร้างท่าเดียว สร้างหัวจใจใเขจาจะของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี้เป็นไรตามหลักบริฆาตท่านสอนท่านสอนอย่างนี้นี่นะสร้างหัวใจนี่น่ะสร้างอะไรข้างนอกให้เขาให้เขสร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็อเอาละสิเอามากมายอะไรนักหนาเกินโลกเกินสังข์เข้าไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นดมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นสิเออ อหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาทอน น, นั้นนนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในวังหาแต่เงินแต่ทองมาได้มุ่งทจะหาอัฐหาทัางนี่ที่มานหน้าทุเรศเอานักหนานะ่ะมันเป็นมากับแปนเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจารบาตตานั้นเถอะผ้าเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัยสี่อยู่อยู่ด้วยความพอดีพงงามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็ เกินเหตุเกินรมานทำเกินเหตุเกินรมานจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลภเกินทั้งสารเขาจนดูไม่ได้หน้าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยสิหัวใจไม่สนใจดูนี่อาทิตย์ที่ทว่าศาสนาเสื่อมไปเส่อมไปดังผู้เชา่าสำนักศาสนาของผู้ชเช่าเรานี่ห้าพันปีเราจะสิน้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เครารพ พูดเองมาพูดเจ้าปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปหมดไปอย่างที่เห็นนี่ยเห็นไหมละ่ะมันเห็นดูประจับต่อหน้าต่อตานี่ทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทําตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินยัยคําพี่เดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่างไงนี่เห็นไหมแล้วจะจะจะ เ, เอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิ เมืตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดอย่างอ้ายที่อุตส่าห์ปรามมีหัวใจแล้วศา ส, สนาคำภีรเจ้ากองอกจดฟ้าก็กองไปเถอะคำภีรหัวใจไม่รับซะอย่างเดียวเท่านั้นนศา ส, สนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศา ส, สนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหานะไม่หมายถึงอยู่ในคำภีอเกิดเจ็ตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่ไม่มีใครมาสอนเกิดแก็ตายมันก็มีความจริงมีอยู่เท่นั้นแต่มันไม่มีใครสนใจความจริงกันสิ เขาจะเอาทำมาจากไหนเมือ่อไม่สนใจความกินแล้วไม่ยอมรับความกินแล้วเอ่ยนี่ใช่ไหศาสนาเท่านั้นปีทันทีปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่น่ะเฮ้ยเหยื่เดินโยกมืจกักจีดนาทีนั่นน่ละศาสนาจะหมดแล้วนั่นนแหละความเพียรมันกําลังจะหมดแล้วนะเดินโยกมยกหยกหยอกห ย, กยกได้สิบนาทีสิบห้นานีใจแผ่นเข้าปากเข้าลกเข้านรกอวิชชีที่ไหนแล้วนั่นศา ส, สนามหมดหรืยอยังดูสิอื นั่งภาวนาก็คู่เดียวเพ่นแล้วเดินยงก้มก็คู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็ไปสู่ทางยงก้มเลยมันหมดไหมศาสนาดูสิมันหมดไมดมห ม, ไมตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงโน้นหรือศาสนาห้าพันปีนึกดูหัวใจของสิโอปนังยโกน้องก็ไปไหนทาไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะฮดูสิศา ส, สนามันหมดหรือมันยงังเดี๋ยวนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสมาธิทามีไหมปัญญาทำมีไหมวิมุติทำมีไหมเนีหัวใจเรา ท, ท, ทั้งๆนี้ผู้เจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั่งเดิอนอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อั น, นอันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผย เ, เปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเ <c oughs> หตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรหรือฟังซิท่านทั้งหลายมาปฏิบัติขมและอกจะแตกกันนะเดนี่สอนหมู่เพื่อนไม่สอนธรมรมดานะสอนด้วยความจริงจริงๆรนี่นะฮะ เราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงตเวลาสงสัยก็ก็ ก, ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแล้วูุกุคานก็เล่า ห, หมู่เพื่อนฟังแล้วจกนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรบัญญาว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยจะว่าไงงั้นเราหาผู้ที่จะตั้งใจคุยปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผล ตามบั้งเล็กเกน้อยนมันก็ไม่มีเี๋ต่กีดเดีไปกินไปกินทั้งวันทั้งวันทั้งวันแล้วทั้งทั้งสอนสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เลือกอะไรนี่ี่มันนา่าทุเล็ดนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนํำทางสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไอมนี่พี่นาเต็มหัวใจนะนู้นย้อนหลังไปหา เราได้วิ่งถึงพ่อแม่คุยกันหัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคําว่าท่านรับไม่ได้ออจะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคําเช่นนี้นัน่นฟังดิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการพติปฏิบัติตามล่องตามลอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ ท่านไดพาดาเนินเห็นอยู่โดยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจับเนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม่เท่าให้รับประจูงไปอย่างนั้นเนี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพินาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้ววาดภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่าคนตาบอด ผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสอนสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็ อ, อย่างที่เราเห็นนั่นนะแม้แต่มีคัมภีรโบา้านอยู่สอนอยู่มันก็นยังไม่ลงใจที่จะราบได้ยังต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาค พ, ออพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณเป็นอย่างปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพราแม่ครูอาจารย์มั่นแบบนี้พอเข้าไปถึงท่านถนมอบเลยนะหัวใจทําตรงไหนท่านทาอะไรๆก็เรียนคำพีเดียวกัน เราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนวินัยข้อไห น, ไห น, ไหนมันมาเทียบเทียงเทียบเทียงเทียบเทียงเทียงมาหาที่ค้านไม่ได้ยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเทียงได้นะส่วนที่เราเทียบเทียงไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิอย่างเนี้คิดถึงท่า น, นเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภุมไใดจนทั่งวิมุตต์หลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างประเสิดเผยหมดเลยเหาจิงวิญญาณสมณะนั่นนละมันเป็นกําลังใจที่นี่เออนี่ผู้พาดาเนินมีเป็นยังไงที่นี่ ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาําเนินเป็นยังไงหัวใจกาบไม่มีผู้ใดรพาําเนินไม่มีผู้ใดแนะนํต่าสอนดูด่าว่าขกาบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมเออเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยอยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันวันนั้นหนึ่งเหนื่อยพอแล้วนะมีทนเอาหมู่เพื่อนมามากเท่าไรก็ทนท น, ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้จะจะว่างไงมันจะมานอนใจเยือกอะ่ะเหนื่อยนะพอทุกวัน